พระาะฉะนั้นสิ่ที่แฝงสยู่ในภายในจริงกลายเป็นขอมัยไปแตกตามกันสาสนทัณคํคำสอนของพระพุทธเจ้านับจมนวนแปดหมื่นที่พันพระธรรมคัน That's <laughs> right. ทันงจิตใจทั้งน่าสุดใจ ม, มีความเคยชินต่อเหผลพอสมควรแล้วระมัเงินั้ ความร่มมแห่ตัวมีดำเนินทางด้านทางน่ารูา้เาะความรขึ้นเดือดการข้ามแม่น้ำผีเรือเป็นสังขารเราจปฏิบัติเพื่อความสุกความเปเลยตั้งแต่บ ตัวสุดท้ายก็เป็นผิหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสำพัญไม่มีสิรปใจที่จะสามารถมันจิตใจของเราให้เจ็ื่อนไปเพื่อความสงบและถึงจุดหมายปายทางอันเย็นยะตายในหลักธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าประมวล มาไว้สรุปความแล้วเรียกเป็นสุขาตธรรมคือธรรมที่ททพระ อ, องค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วทางนั้นแสามารถจะรับรองผลจากการดำเนินที่ถูกต้องของผู้บาเพ็ญที่มีเกียริยานิกธรรมนำความขัดข้องยิ่งเยิงออกจากผู้ปฏิบัติตามพระศาสนาคนนั้น ออกหน้าเป็นาำๆดำบฉะนั้นท่านจึเงเมียกมามีย า, ยานี่การทเป็นผลสุดเนื่องมาจากการปฏิบัติทอบด้วยสัมคขาตารมหลักของศีลในขั้งพุทธการนี่สืว่าไม่ควร ม, มากมายนะแต่เมื่อมีความ คือแสดงออกทางกายวาจาสาหรับผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมากเรื่องก็ทม่รกลายมาเป็นบทเนียเป็นศิขาบทขึ้นมาเป็นลำดับส่ำหรับงพระท่านมีจินตกะจําจที่เด่นชัดว่ามีสองร้อยยี่สิบเจ็ดขอ้อ แต่ถ้าจะดีตามหลักของภายในที่เป็นอนุบัญญตัติคือบัญญัติที่หลังนั้นัำนวนมากมายเป็นพันๆ น, นี่คือบัญญัติตามความเคลื่อนไหวของผู้ผิดกระทาผิดแล ะ, และในครั้งนั้น แต่พ่ออย่างนี้เวลาพระพุทธเจ้าแสดงทำเกิดข้าเป็นปตรีมังกรั้งหา้ามืุกขาเจรดญตาลบถึงมือสีเพราะท่านแบนั้นก็เป็นผู้มีสีห้าดีแล้วภายในตัวเลยต้มบูดเมือท่านก็ะเป็นน้าบวชตามความยืำของคนในสมัยนั้นเป็นมือสีที่เป็นอะไรก็ไม่ขาดแต่ไม่ได้ เ, เป็นเทศพระหมืหนอนก ทาหนกเพาสาสนาของเราทุกวันแสดงที่เมืงเดือนเพิเคเรมีแบบธรรมะจะกลับปวัระนักสืบคุณเหมาะกับมิสัยของท่านเหล่านั้นซึ่งมีความละเอียดถึงควรที่จะรับธรรมะขั้นสูงเมันลำับขึ้นไปได้แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องแสดงอุบายวิธีต่างๆให้ฟังมากมายเหมือนอย่าง แสดงให้ัวกเราทั้งหลายฟังทุกวันนี้ที่ท่านแสดงไว้ทุกวันนี้มีจำนวนมากและนอกจากนั้นคือที่อาจารย์มีแต่งขึ้นอีกมากมายนี้หลักํานเพ่เป็นความจริงจริงจริงจนเป็นปกกรากฏรค่ การแต่งก็แต่งขึ้นมากมายแต่การแต่งสำคัญอีที่จิตใจ้าจิตใจมีที่โลดู่แล้วแต่งก็ต้องเพื่อเข้าตัวเสมอมีและที่จะทำทำมาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กลายดป่นของจอิงปโดยเม่นด้สึก้าจุดเป็นจิตที่บริทุธิด้วยดีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลา พะดอกมาคำไดก็เป็นอัดเป็นรรเรื่องล้วนเพราะใจเป็นธรรมอยู่แล้วไม่มีการเข้าตัวเหมือนอย่างสาหมันทนละทำจริงเป็นธรรมเรื่องล้วนไม่ไดมีโลภเกียอแหลมอยู่ภายในธรรมที่ท่านแสดงไว้นั่นเลยนี่ีืปฏิบัติในการอบรมจิตใจของเราง จาได้คาดคะณีในขณะที่ทำขอให้ตั้งจิตของเราไว้กับบทธรรมบท น, นั้นๆและให้รู้ปันดีขึ้นๆนะจะปรากฏผลดีชั่ว อ, อย่างไรที่มาก็ให้รับรู้กันที่นั้นอย่าได้คาดหมายออกไปสู่ภายนอกจากวงของจิต ที่ทำหน้าที่อยู่กับอาการหรือบทธรรมนั้นนี่แหละคือว่าจิตได้าวางตนโดยถูกต้องผลคือความสงบเยือกเยงจะค่อยปรากฏขึ้นมาจิตไม่ค่อยจะได้รับความสุกนิความสงบนั้นนอกจากเนื่องจากกระแสของใจ ตัวเองส้านเอาไปปรกอบเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆไม่มีเหียเด็ดจแบบิดไม่รงตัวอดีได้ตามลำพังของนตนเพราะฉะนั้นในธรรมบทหนึ่งท่านจึงกล่าวไว้ว่านัตถิสันติพลังสุ ข, ขังสุขืนยิ่กว่าความสงบเงย่อมไม่มีท่านัานะ้น เอามาความสงบในบทแห่งสันตินีหมายถึงความสงบโดยหลักธรรมชาติของท่านจะตัดตออกก็ไม่ได้จะเอามาเพิ่มเติมก็ไม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติที่จะกลายจากสันตินั้นไปเสียทางตื้ไม่มีความสุขสนใดจะเสมอโดยความสงบโดยหลักธรรมชาติคือหมดหมดสิ่งที่เคลื่อแนแสงโดยที่เฉลี่ นี่คือจิตของพระพุทธเจ้ามาสาธุท่านเป็นจิตอย่างนี้คือสันติอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาเข้าภาวนนาทั้งเป็นเวลาปกติเพราะสันตินั้นไมาเลยละบทบาทจักความสงบอันแท้จริงของจิตจิตของเรา ที่ไม่เปนเช่นนั้นยอมมีสูงสูงต่ำต่ำเวลาสงบก็ต้องมีการใช้ทิฏต่างๆเช่นธรรมะเป็นต้นเพื่อแฝงอยู่นายใ น, น, นมีลมหายใจเป็นอารือ์พุโทโธเป็นต้นแต่จำเป็นที่เราจะต้องทำเช่นนั้น เพราะเป็นหลักพื้นฐานของใจเมื่อใจยังไม่ได้พี่นฐานเพราะต้องควรภายตัวเองแล้วต้องหาสิ่งภายนอกมาเป็นที่กาเหมือ น, นเด็กเดินตามผู้ใหญ่ถ้าไม่สามารถจะเดินได้ด้วยลทธงตัวเองก็ต้องอาศัยพ่อแม่จับมือในเรงไปหรือก็ข้อเดินไปตามล้น ต่อเมื่อมีกำลังแล้วเขาก็าไปตามห น, นทางของเขาได้โดยไม่เยี่ยวกับผู้ใหญ่ลักษณะของจิตที่ต้ตองอาศัยธรรมเป็นเครื่องชักชูนต่ อ, ต, อต่อเป็นเช่นนันเหมือนกันคอยสังเกตความรู้สึกของใดกับอาการแห่งธรรม ที่เรานำมากำกับขับใจเึ่นอนาตานัต่ติให้กำหนดรู้ความสัมผัสของลมสัมผัสมากน้อยหนักเบาสั้นหรือยาวให้ทำความรู้อยู่เฉพาะนั้นบิดเมนื่อยทำความรู้อยู่กับลมหายใจโดยความติดต่อจะค่อยเริ่มกระแสของลมเข้ามา ลมนั้นโดยเฉพาะจากนั้นแล้วลมก็จะละเอียดลงไปยืดลอยจากลมนั้นทรงตัวเองดอี่ด้เมื่อความสงบสุขมีวิธีที่จะทำให้เห็นผลประจักษ์ในขณะที่ภาวนาเมื่อเราทำได้ตามที่กล่าวานี้ความสงบเยือกยนภายในใจ จะต้องมีได้ด้วยกันไม่ว่าผู้เริ่มผู้ันไม่ว่าผู้พุดผักมานานแล้วถ้าถูกว่ธีต้องจากฏผลขึ้นมาเป็นความยินัีคูอจะกำหนดพุดโทโธก็ให้ทำความรู้อยู่กับพุโทโษพุโทโธจะปรากฏขึ้นมาจากิกขนาดไหน ทั้งขณะที่ปรากฏขึ้นทั้งขณะที่ดับไปก็ให้มีความรู้อยูําเพาะความเกลือความหนักแห่งคำบริกรรมของนั้นนั้นกระติดให้มีติดต่ออยู่กับคําบริกรรมของสดเราไม่ต้องสําคัญว่าทำบทนี้เป็นทำขั้นจําเป็นทำขั้นสูงความนี้เทียบความหน้ากับยาแก้โรค ยาที่นามาแต่โรขนานใดที่ถูกกับโรคของเราขนานนั้นเป็นยาที่มีคุณต่อร่างกายของเราเราต้องนำยาขนานนั้นมารักษาเป็นประจำจนกว่าว่าโรคจะมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปเราจึงจะหมดความจำเป็นกับยาขนานนั้นถ้ายาขนานใดไม่ถือว่า เป็นขนาดที่ต่ำหรือสูงคุณภาพของยานั้นเพื่อจะแก้โกท่ถ น, นันลักษณะแห่งทำทุกบททุกบาทก็ว่ามีในยยะเช่นเดียวกันกับยาไม่ว่าพุทโทไม่ว่าธรรมโมไม่ว่าสังโฆเวลาถึงอาการแห่งกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งสภาวะของจินเมื่อเรานำมาที่ากนา เพื่ออัดเพื่อทําเพื่อถอดถอนตัวเองเนี้ยสภาพที่กล่าวมานี้ทั้งหมดจะกลายเป็นยาหือธรรมโอสถขึ้นมาภายในใจิตใจโดยไม่ได้คํานึงถึงว่าสภาพนั้นต่ำสภาพนี้สูงสภาพนั้นเป็นสภาพภายนอกสภาพนี้เป็นสภาพภายในแต่เป็นสภาพที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้เป็นใจเพื่อความถูกความจเจริญด้วความเจริญศลัา ถอดถอนตอนออกได้เป็นน้ำหนักน้ำหนักเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ปฏิบัติภาวนาจึงไม่ควรถือว่าบทธรรมบทนั้นๆนหรือบทนั้นเป็นธรรมสูงบทนี้เป็นธรรมต่สำสิ่งที่เป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเหล่านั้นให้ถือว่าเป็นส่วนต่ำเสมอไปที่เราจะถอดถอนออก ให้หมดจักปิดใจไปได้โด อ, อุบายหรือวิธีต่างๆตามแต่ความแยบคายของคุณนั้นจะนำมาปฏิบัติต่อไปเองมีเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้บาเพ็ญศาสนะทำคำสอนของพระพุทธเจา้าสามารถจะยังผลให้ประจักษ์แก่ผู้บาเพ็ญโดยไม่เป็นลาอยู่ ข้างหน้าข้างหลังที่ไหนขอแต่ว่าเราํำเพ็นตัวเหตุลงให้ถูกต้องผมจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำหนักตามกำลังแห่งเหตุที่เราได้ทำไว้มากน้อยให้เราคิดดูเช่นพระพุทธเจ้าของเรากรณีปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเคยไปชมพระนิพานมาก่อนความมือจิต ของไใจพระองค์ท่านก็วังไม่เคยมีมากก่อนเลยและไม่มีใครแนะนําข้ามสองพระองค์ท่านไว้ว่านิพานดีที่ไหนหรือนิพานมีลักษณะเช่นไรความชื่นฝุ่นแห่ง ท, ทุกจากใจเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นไม่มีใครจะสามารถนิช่องบอกทางพระองค์ท่านไว้เลยแต่เมื่อ พระองค์บำเพ็ญให้ถูกตามหลักของธรรมชาติที่มีในพระองค์ท่านเป็นลำนับไปแล้วก็ทรงรู้เห็นได้เป็นระยะๆจนกลายเป็นความมีติดขึ้นมาและท่านกล่าวไว้ในปัจจยการคืออวิชชาปัจจัสร้างข้าวาพอดีทาที่กล่าวนี้ ไม่ใช่จะอยู่ในพระพธธุทธเจ้าพระองค์เดียวแท่จริงอวิชาปัิญาสังขารานั้นตรงสวัสิ์ของเรื่องจิตใจพวกเราทุกทุทัดความเป็นนาที่เกี่ยวเนื่องกับอวิชาเป็นเจ้าเดื่อนั้นต้องพาให้บกเยยนท่องเที่ยวเช่นเดียวกันหมดทุกรูปทุกนามบรรดาย มีความรู้สิตัวดีไม่ว่าจัต์ไม่ว่าบุคคลจะต้องดำเนินตามแนวทางของอวิชาด้วยครันฉะนั้นคำว่าอาวิชาเพียงคำเดียวเท่านั้นจึงสเทือนไปหมดทั้งโลกกาะทำไม่ น, นิยมว่าเป็นศัตร์เป็นบุคคลอี่มคมเทวบุตรเทวนาที่ไหนพราท่านเหล่านี้ เป็นูมีอวิชชาหรือยีงกันและธรรมะที่จะนำมาแก้อวิชานั้นก็คือเรื่องของความเพียรตามที่เคยได้กล่าวไว้แล้วเช่นเราเพียรภาวนาเดินตรงกลมเพียนพุนิคพิจาณาในธาตในขันในอานินะแยกส่วนแบบ แบ่งส่วงออกให้เห็นชัดในสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อจะให้เห็นเรื่องของอวิชาคือความรู้ไม่แจ้งชัดของพวกเรานี้เอะอะปฏิเสธรูแปลว่าแจ้งญาแปลว่ารู้มีตามปริยัติองญาเป็นชาิชาแปลว่าความรู้แจ้ง อภิชารู้แต่ไม่แจ่งเพราะว่าไม่รู้ก็รู้อยู่ด้วยกันแต่ไม่รู้แบบวิชาล่นล้วนมีวิธีจะบำเพ็ญเพื่อจะรู้แจ่ในส่วนเหล่านี้จึงจำเป็นที่เราจะต้องอบรมรื่นต้นงแต่เห็นความสงบเยือกเย็นของจิตใจ